วิธีสวดสมรพากและกรรมวาจาสวดสำรพากภิกษุทั้งหลายสงพึงสวดสมรพากอย่างนี้คือภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ทรงทราบด้วยยติเจตุธกรรมวาจาว่า958แม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุณีชื่อนี้อยู่คลุกคลีกับข้าบรีบ้างกับบุตร้าบรีบ้างเธอยังไม่สละเรื่องนั้นถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงสวดสมรภาก ภิกษุณีชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นนี้เป็นยติแม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุณีชื่อนี้อยู่ครุกคลีกับข้าบอดีบ้างกับบุตรข้าบอดีบ้างเธอยังไม่สละเรื่องนั้นสงสวดสำรพพาสภิกษุณีชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นแม่เจ้ารูปใดเห็นด้วยกับการสวดสำรพพาสภิกษุณีชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นแม่เจ้ารูปนั้นพึงนิ่งแม่เจ้ารูปใดไม่เห็นด้วยแม่เจ้ารูปนั้นพึงทักท้วง ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สามพิกษณีชื่อนี้ทรงสวดสมรรถภาพแล้วเพื่อให้สละเรื่องนั้นทรงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้จบญ ต, ติต้องอบัรทุกกฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัทุกกฎสองตัวจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอบัตรปัจจิตี